สิกขาบทที่สถามทรงบัญญัตทุกกฎแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อแสดงธรรมแก่คนผู้อยู่บนที่นอนณนะที่ไหนในสิกขาบทที่สี่นั้นมีหนึ่งพระบัญญัตหนึ่งพระอนุบัญญัตบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานคือเกิดทางวาจากับจิตไม่ใช่เกิดทางกาย